ที่เราได้มีโอกาสมาตั้งใจมาบำเพ็ญบุญมาเป็นกุศลนั่น <c oughs> อย่าเข้าใจติดคิดว่าเรามาบวชซีพราหรือว่ามาปฏิบัติการเล็กน้อยต้องทำตลอดไปเสมอต้อนเสมอปลายคุณภาพชีวิตจึงจะทราบซึ้งว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าผู้ปฏิบัติทม ตั้งใจปฏิบัติทุกวันจะรู้เลยว่าพูะเจ้าสอนอะไรส่วนใหญ่คนเราไม่ทราบว่าพระเจ้าสอนอะไรเข้าใจว่าต้องเรียนรายต้องเอาเงินมาสร้างโบสถ์สร้างศาลาเร่เข่าขันแกงโถเอามาถวายพระหรือว่าเป็นชาวพุทธไม่ใช่ชาวพุทธแท้นะี่ต้องเข้าถึงคุณพระศรีลักษณ์นาจัย กิดเนี่ยววัตใจตลอดชีวิตถึงจะถูกว่าเป็นชาวพุทธและถึงจะรู้เลยว่าพระเจ้าสอนอะไรแน่นอนคุณค่าของพระพุทธจา้าคุณค่าของวรฒธรรมคุณค่าของพระสงฆ์องค์มสาโลกเรียกว่ารัตนตรายรยึดเหนี่ยวทางใจเราตลอดชีวิตชีวิตเราจะไม่แล่นแค้น ชีวิตเราจะเดินทางถูกต้องเพราะเรามีคุณภาพชีวิตคนที่ไร้คุณภาพขายคุณธรรมนั่นจะไม่มีค่าของชีวิตเลยชีวิตมันมีค่าเวลาท่านจะมีประโยชน์ในหรือประการใดเวลาก็ไม่มีเราจะเห็นคนไทยชาวพูดแบบฟอร์มก็ไปเที่ยวตามวัดกัน วัดโน่นดีวัดนี้ไม่ดีตำหนิทีเตียนตลอดเลยตาแต่ที่เป็นชาวพุทธแท้จริงเนี่ยหาย า, าหาดูความละบากยิ่งๆเป็นชาวพูดแบบฟอร์มเที่ยวตามวัดวาลามขขเขาจะบวชทีพรามเขาประกาศที่ไหนก็ไปกันแน่นวัดแต่ก็ไม่ได้อะไรขึ้นไปคุยกันเสียงแอะเสียงดัง ตลอดในกาแล้วาพระมาเทศน์การติดกันเทศในพระวิธีการเช่นนี้ไม่ใช่วิธีปฏิบัติธรรมวิธีปฏิบัติธรรมน่ต้องอยู่ที่ความสงบอยู่ขมูลและเสนาชนะมิสายปรบปรชาตัโทโโยวจชีวงังอุสาโหกรังโยติลิกาาปุต้องอยู่ขมูหาที่สงบปฏิบัติธรรมมีหาโรตโยโคปาสาโทหัมยงังกุหาน ต้องเจริญสมาธิภาวนาปากไม่พูดจิตไม่คิดถึงจะเป็นสมาธิภาวนาภาวนาเกิดขึ้นมาลายจะลู่เชนงถึงจิตใจของเราได้ทําให้แจ้งถึงใจจะมีประโยชน์สุทธิผลแก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่น้อยแต่บางคนก็ไม่เข้าใจเข้าใจว่ามานั่งปฏิบัติธรรมจะสบายเนะี่ยจะมีความสุขเข้าใจว่าความสุขนี่คือสบาย เข้าใจว่าความทุกข์เนี่ยคือลําบากไม่ใช่แน่นอนความทุกข์ที่ไม่สบายมันตามใจแต่ความสุขเนี่ยได้จากความทุกข์แท้ๆท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก่อนที่ท่านจะได้ความสุขที่ไม่เจื่อนังในความทุกข์ทางของผ่านความทุกข์อย่างแรงแคะผ่านมาโดยแดง ใจทุกกาเราถึงสุขขาวดดีแห่งความดีในชีวิตแสนจะยากแสนจะลำบากอย่างนี้ก็ไปกันทั่วๆ่วไปพระตามวัดต่างๆเป็นกําเนียนมากไม่เคยปฏิบททัติธรรมลังถามว่าทำไมหนอพอเรียนถามหลวงพ่ออาวัตรนี้คนที่บวชศึกไปแล้วทำไมไม่รู้เรื่อง ไม่ได้อะไรเพราะเหตุใดแล้วพุทธศาสน์นี่กระทนทั้งหลายเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนามากหลากหลายมาด้วยกันทั้งนั้นจะถามแนละ้วทำไมตอบไม่ได้ฝรั <c oughs> ่งถามเราจึงตอบฝรั่งไปก็จะไปได้อะไรพราะบวชเจ็ดวันคือห้าวันตามวันที่เขาบวชแต่วันนี้ไม่ได้ เคยไปก็มาอย่านาไม่รู้มองไม่เห็นพาหูมหากายในส่วนนั้นนี่แหละบวชด้วยบทพระทองบทชีสันนิมกฐิอกหากหรากรอยคองานฉันขานเส่อมบุติสุเรื่อมสายบวชรับบวชลองบวชคลองประเพณีบวชนิสสงสารบวชหลานขศุบบวชสนุกตามเพื่อนประธานทั้งหลายมีบุตรชายขาจะให้ดีต้องหนึ่งภกษาอย่างตามสามเดือนถึงจะซึ้งในรสธรรม ไห้งานเอาลูกมาบวชกันเจ็ดวันสิบห้าวันตามวัดต่างๆซึกไปก็เป็นทิกน้องหนึน่งชิดน้าตักไม่จะเป็นชิดน้ำบัณฑิตมันเป็นบัณฑิตเลยเพราะบัณฑิตมาจากผู้รู้ดีแล้วรู้เข้าใจรู้เหตุรู้ผลรู้ตอนรู้ปลายรู้กาลเทาศาจิจริญขณะดีอายาท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าท่านมีบุตร เรื่มีบุตรชายบุตรสาวบุตรสาวบวชได้ไหมได้มาเจริญสัตว์มาถานนุ่งขาวเนี่ฆ a m ม a ปฏิบตัติถือว่าบวชเลยเรียกว่าใจขาสาวสินสมาธิปัญญาถ้าได้ตรงนี้นะรับรองว่าแทนคุณติดามารดาได้ขอแม่เลี้ยงมาไม่เสียชาติเกิดประเสริฐจริงๆปฏิบับติสักเดือนหนึ่ง ร้อยสิบห้าวันเข้าถึงจิตใจมาหลาเข้าถึงธรรมมาหลายจิตใจจะแจ่มใสจะเกิดปัญญาที่ชีวิตของเรามีแก่นสารจะมีประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่น้อยบางคนไม่มีเลยไม่ได่าอะไรเลยหบางทุตฝรั่งเขาถามบางชาวพุทธศาสนิกทั่วๆไปข่าวบ้านข่าวขานแกล้งโถไปวัด เท่านัน้นทอกระทิ่นพระปา่าเร็วกว่าชาวพุทธสร้างโบสถ์สร้างสราเร็วกว่าชาวพุทธเรียรลายเร็วกว่าชาวพุทธแต่หาได้รู้ไหมว่าพุทธะแปล ว, ว่าตื่นเบิกบานตื่นอยู่เสมอไม่หลับไม่ประมาทเกี่ยกว่าพุทธะผู้หญิงก็เป็นพุทธะาไดา้ผู้หญิผู้ชายก็เป็นพุทธะไดา้รู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งขึ้นมาได้สัจธรรมของพระพุทธเจ้านั่น เป็นประรโยชน์ต่อที่ผลแก่ท่านเอง ด, อดยเฉพาะโยงผู้หญิงก็สามารถเป็นพระหลั่งไดา้เป็นพระโสดาบันหม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชายพวกผู้ชายที่มาบวชการเจ็ดวันตามวัดต่างๆนู้นศึกไปนะไม่รู้มองไม่เห็นผ้าเหลืองยังไม่ฌาน จ, จะจะเก่าคึกแก่ยังไม่ฌานจะซักศึกแล้วบวชต้องการอะไรเป็นที่พ่อแม่ พอไม่ให้บวชห้าหกวันจะเป็นที่ลกูกลูกไม่แบกบวชก็ไปแค้นมาบวชเลยไม่ศรัทธาชีวิตชัวาก็เข้าถึงพุทธศาสนาไม่ได้เลยกลายเป็นชิดจำตาวทิพนงเง่งในเกิดประโยชน์ตัวที่ผลจะประการได้มาสมัยโบราณปูย่ย่าตาช่วยเขาจะไปขอลูกสาวเขาเขาต้องถามมาบวชเรียนแล้วอย่างบวชได้กี่พรรษา เขาบอกยังไม่เคยบวชเขาไม่หาเดี๋ยวนี้มันตองบวชแล้วมันตองขอแล้วมันก็ตาย ไ, ไปเองตาย ไ, ไปเลยมันที่ได้ยุ่งวุ่นวายกันวุ่นวายกันมนะากเคยเช้าได้เย็นไม่มีโอกาสที่จะดีได้ยังไม่มีบ้านมีหลักฐานไม่มีวิชาความรู้ที่จะไปเลี้ยงดูกันได้พุทธเจ้าสอนต้องบวชต้องเรียนมีหลักฐานมีงานทํา เราจะไปมีคู่ครองจะได้เป็นทองแผงเดียวกันมีมนุษย์จะสัมพันธ์ในสังคมต้องออกมาในรูปแบบนี้ชัดเจนที่จะถูกต้องเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแค่ที่เจ็ดทีแปดเนี่ยมอสี 4, ตามเข้าไปแหละมอสี 4, ตามเข้าไปเลยพ่อมันเป็นซีเก้าแม่เป็นซีเจ็ดแม่เป็นครูโรงเรียนลูกสาวคนเดียวตามเข้าไปเลยไม่มาเรียนหนังสือเห็นไหมชัดเจนก็เนื่องจากพ่อแม่ไม่สนใจ รับแต่ละเหตการแม่ก็เป็นครูสอนนะักเลียนแล้วก็ไปหาประกันชีวิตไม่ได้ดูลูกลูกมอดสีตามเข้าไปเลยพ่อกลับมาไปตามลูกกลับมาเราเดตามเขาไปแก่เลยแค่ได้แค่มอดสีเขาจะทิ้งความอลไรก็ไม่สาบเราได้เจ้าสอนครอบครัวนี่นะจะได้เสียเป็นสามีภรรยา ต้องเรียนรู้ดูจำทาจริงมีวิชาความรู้ดีสามารถจะเลี่ยงกันได้ด้วยความถูกต้องมีบทธิ่ดาก็ดีด้วยพ่อบานก็ไม่รู้แม่บ้านก็ไม่รู้อีกต่างคนต่างได้มาไม่เป็นผู้ใหญ่ไหนเลยจะเป็นหลักฐานที่จะปกครองบ้านปกครองเมืองในบ้านในเรือนก็หาหมีได้แม่บ้านก็เป็นแม่บ้านที่ไม่ดีทำกับข้าวก็ไม่เป้งได้สามีแล้ว แม่ทั่วทั่วไปแม่แบบแม่แผนแม่แผนก็ห้ามไม่ไม่เคยไปโยนสวดมนต์แต่ประการใดไหนเลยแลพพ้วครอบครัวนั้นจะมีความสุขไม่มีเลยอาตมาไม่โทษใครโทษแม่บาทไม่ดีไม่ได้ดูลูกเลยพ่อบาปไปเตือนเขาสวดมนต์ไหวพระบเป็นครูโรงเรียนแท้ๆบอกว่าสวดมนต์มาได้เงินนังสมาที่มาได้เงิน ไปหาแระการชีวิตอย่างใดนหเงินเลยลูกเสียไปเลยใช่ไหมลูกตามเขาไปบางทีญาติยโยมาปฏิบตัติกองตังสติบางคนเนี่ยแกแล้วจะมานั่งปฏิบตัติไปไม่รอดจำไว้ไปไม่รอดคนที่ดีมีปัญญาจะปฏิบัติตั้งแต่เล็กๆน้ำแหลมขายเชื่อ ม, มานาคนเปรี้ยงขคดไปปลึงมนิชัยจะเกิดขึ้นแต่เล็กๆ สามขวบถั่วพางมะกาได้แหล ะ, จะเจริญไว้ยเชงสามมาได้กำนายชีวิตตั้งแต่เล็กเดี๋ยนแกแกเนี่ยเดินก็ไม่ไหวก็จํานั่งกรรมฐ า, านก็นั่งไม่ได้กําหนด จ, จิตตั้งสติไว้ไม่ได้ไม่สา ม, มารถจะใช้สติควบคุมจิตของตัวเองไว้ได้เลยหลงลืมลืมโน่ลืมนี่ตลอดเลยการปฏิบัทั้งหลายปฏิบัติธรรมซึ่งในโลกธรรมตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆ การเดินไหวแช่งสาข้นมาท่านจะไม่หลงลืมอะไรเลยแตะท่าอายุปดสิบเก้าสิบ่จำความเท้าความหลังหน้าโดยชัดเจนอันนี้ก็เรื่องอันหนึ่งสำคัญแต่บางคนแม่อมดีตสนใจในหน้าที่การงานพร้อมกับโรงเรียนที่อัดตัดเอาสิ่ง ร, รมหน้าที่บริเียอออกจากโรงเรียนไม่สอนนักเรียนเหมือนสมัยก่อน ระวาชายก็ไม่สอนนักเรียนเหมือนสมัยก่อนทำให้เด็กไม่รักชาสัศาสนาพระมหกษัตริย์อันตะมาว่าประเทศไทยไปไม่หลอดในยาบ้าติดกินยอโทรมาทัาเป็นแถวหมดลูกติดยาบ้าแก้อย่างไรบอกโยมบอกกงกงนะโยมแต้มมั่ยจ๊เพราะโยมไม่เคยปฏิบททัติธรรมะไม่ได้เคยสวดมนต์ไม่พระสามีภรรยาทะเลาะ ก, กันทุกวั น, นโทรมา่ละวัน จอดไว้เลยจอดไว้เลยแก้ไม่ได้ลูกดีไม่ได้เพราะพ่อแม่ไม่ดีพ่อแม่ดีไม่ทะเลาะกันชวดมรรทารับรองอาตมาขอยืนยันเอาหัวเป็นประกันเลยลูกดีหมดทั้งทั้งกลับอยู่พ่อแม่ไม่พ่อไม่ดีไม่เป็นไรแม่ดีสักคนหนึ่งนยะพอเจ้าชู้เล่นการพานันช่แพ้แม่ตาอย่าไปตามคนชั่วเข้บ่า สร้างความดีแก้กลับลายกายดีเดี๋ยวก็เขาก็เลิกลูกกลับดีได้ในครอบครัแต่แม่สวดพาหุมกาและเจริญกรรมฐ า, านเดินจงกรมทุกวันแล้วไม่ไปสนใจกัตริย์มีกัตริยมีกลับลายกายดีเลิกดื่มสุราเลิกเล่นการพนันเลิกโจทย์กกลับบ้านได้โดยเกรงใจพญญาพยาแผลไม้ตาเท่านี้เองแต่ญาติรวมสาธุชนทําแล้วแล้วก็เลิก มาแค่สองวันแล้วก็ลึกไปโยมจะได้อะไรบ้างใช้ชีวิตต่อการงานและหน้าที่อะไรบ้างต้องทาเป็นประจำสร้างความดีต้องเป็นประจำกระชางความดีไม่เป็นประจำความท่วมก็เข้ามาแทนเดี๋ยวก็ไม่สบายโอกสบายใจทะเลาะวิวาดกันตลบแต่บางคนเนี่ยมาเนี่ยแล้วก็บอกแล้วเครียดอย่ามาปฏิบัติเครียดจะมาปฏิบัติามาเคืนโทรมาให้แผ่เมตตาไปนั่งที่ วัดไกลมาไม่ฉาบจำใครไม่ได้นางสาวเดี๋ยวนี้ยังอยู่โรงพยาบาลเคยจะไปนั่งพระที่วัดนั่นก็ไม่รู้รับจะพึ่งเลยนั่งเลยบอกนั่งนานยิงน่งดีใหญ่แล้วไม่มีใครสอนนั่งเอาตามาน้ำเพลิ น, น้ำใจเลยก็เข้าโรงพยาบาลเลยก็หาว่ามานั่งกรรมฐ า, านเสียผู้เสียคน ขอเช็จริงนั้นเจริญกรรมฐานต้องการให้มีสติปัญญาทำไมไปเสียผู้เช่วกรวดตอบได้ทันทีว่าสิ์ไม่ปกติไม่มีสินตั้งแต่ต้นขาดสิงขาดธรรมันมีสติปัญญาจะประทานได้แก้ปัญหาไม่ได้เลยเลยก็เครียดมัมานน่ากรรมฐานก็ผีเข้าออจ่าชงไปเลยตมาเขาเจรินพรให้ดังสาว บางคนที่มีบุญวาสนาไม่ต้องชวนมาตองลดไปลาช่างประชุมมาเองบางคนเด็กๆนะเขาก็มาเจริญกรรมาฐานของเขาเขาก็เด็ดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาได้สมปรัถนาดังที่กล่าวมาเช่นเดีกับางคนก็ไม่เอาเดือยไปวัดโน้นวัดโน้นดีกว่าไปวัดโน้นดีกว่าทัวกันไปเรือร่อยๆในการปฏิบัติธรรมก็ไร่ผล ไม่ได้ผลจะตามสมค่าตัณนาทุประการเลยไม่ได้ก็ยอมต่อติผลแต่ประการใดก็ไม่ได่เราคนมานั่งดีสิบห้าวันปริญาโท ร, รทุูาเพื่อนชวนไปโน่นเข้าถ้ำคนครสวรรค์เลยไม่กลับบ้านเข้าไปไหนก็ไม่ทราบไม่ต้องเรียนต่อปริญาโทรก็ไม่จบนี่แหลยหลายวัดหลา ย, ลา ย, ลา ย, ลายวาไม่มีใครจะดูแลคนไล่บุญวัสนาเลยก็ตีความตีขุมว่า นั่งกรรมาฐานบ้าเพราะเขาไม่มีสติปัญญาไม่เป็นคนปกติเลยขาดสติมากคนที่เจ็ดดีมีสติจะควบคุมไม่ได้ถ้าขาดสติธ้รมชัญญะมันจะอดทนไม่ได้เลยนั่งเข้าไปเลยกลายเห็นกงจัดเป็นดอกบัวทห็นความทั่วเป็นความดีต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเป็นอย่างนี่แน่นอนเลยไม่ได้ดีเลยเห็นองค์เงาข้าม เห็นโกงจากเป็นดอกบัวเหมือนไก่เห็นแพตหนิงกินดาลายเป็นก้อนอีกก้อนสายมันจะมีค่าสำหรับไก่แต่ประการใดคนที่มีสติดีเป็นปกตินั้นจะอดทนได้สูงมากตายให้ตายจะเดินตรงกรมแน่นั่งเข้าถึงพระพุทธธรรมผสมคนที่เข้าถึงพระพุทธเจ้านะั้นนัคือรัตนใจยึด เ, เหนี่ยวทางใจให้ได้ให้แน่นอน คุณพรบาบรมไตรย์เจ้ามีสามประการพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหาคุณอัิคุณที่เรานหน้างต้องพบอันนี้เนี่ยพระพรมไตรเจ้ า, าคุณปัญญาอันแรกล้ำเลยทําให้เราเกิดสุตตะมยาปัญญาข้อแรกทาให้สนกายสดับกับฟังสนายทบทวนชีวิตสนายสร้างสาติปัญญาไว้ให้ได้จะเกิดปัญญาในการฟัง ฟังแล้วก่อจึงตามัญญาปัญญาเอาไปคิดรเริ่มดำเนินงานทันทีอย่าลวลีกับประการใดก็เกิดปัญญาในทางคิดคิดให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในกิจประจวันของเราอันนี้สําคัญมากและภาวนามัญญาปัญญาพา่อทุส่าภาวนาให้เกิดปัญญาเช่นพองหนอลุกหนอยืนหนอห้าครั้งขวาย่างหนอใช้ย่างหนอต้องดูที่เท้าอย่าไปดูที่อืน่น แต่คอยไปเข้ามาหลายวัดหลายวาลับลองทําไม่ได้หรอกเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้เลยก็สับสนหมดกลายคนสับสนไม่มีสติประทานสีขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาแก้ไขปัญหาไม่ได้สถาบันอย่างนี้ได้ยืนหนอก้าวทั้งดับี่ภาวนาให้ใจเข้ายาวๆให้ใจออกยาวๆท้องมันจะพองยุบไปตามลมดับก็เรียก ว, ว่าเห็นชัดเจน เข้าถึงแซึ่งใจนี่แน่นอนในชีวิตของท่านอ ย, าอย่างหลากหลายมาด้ว ย, วยความดีเป็นปกติคือเส้นภาวนาไมยะปัญญาทําให้เกิดปัญญาในตัวตามหลักที่พระเจ้าสอนปัญญาในตัวเนี่ยสาคัญมากปัญญานอกตัวในช่วยเราไม่ได้นวิชาการที่เรียนมาเป็นรองเตอร์ก็ช่วยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ การแก้ปัญหาชีวิตได้ต้องอาศัยภาวนามยปัญญาเกิดปัญญาในการภาวนาให้เรารู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าจะได้แก้มันถูกต้องสามารถกำจัดความชั่วจากตัวเราได้เราจะได้รู้ว่าเรานี่ยทำชั่วทำไม่ดีเกิดอกุศลกรรมแั่ตัวเองจะได้กาจัดมันออกไปใชนี่คือภาวนามยปัญญาปัญญากาจัดความชั่วจากตัวได้ ปัญญาทางคิดทางฝังปัญญาทางโลกโลกกียปัญญาแก้ปัญหาไม่ได้ตองโลกุตระปัญญาคือปัญญาทางธรรมแก้ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าโดยเฉพาะได้อย่างแน่นอนเราจะได้รู้ว่าเรามีบทกี่คนคนโตจะเรียนแพทย์เรียนหมอหรือเรียนวิศวกรจะได้รู้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาลูกอันนี้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องมาเล่าเล่นกัน แต่ท่านทั้งหลายทําได้หรือไม่เพราะเรามาอยองเวลาจํากัดหรืออาจจะไปทําวัตถุอื่นมาบ้างเขา่าสมพระสมาบัติได้หรือได้โซโรุทยามก็อาจจะเป็นได้แต่นี้พูดในภาคตนเนี่ยทําให้มันได้เนนย่งหนอห้าทางทบทวนชีวิตกาจ่าปัญญากากรรมฐ า, านเกศารโรมานะคะท่านตาตาโตตะโ ต, ต, ะโตท่านตานะคะโลมาเกสาห้าครั้งปัญจกะแปลวา่าห้า มีมาแต่มูลกรรมฐ า, านมีกับกำเนิเกิดมันจะท้องพวกหมาดาเนี่ยมีมาครอบเกศโลมาณนขะาทันตาตตยืนกำหนดห้าครั้งกำหนดได้เนี่ยจะรู้ทบทวนชีวิตเราจะด้วยลูกกฎแห่งกรรมเราทำกรรมอะไรไว้จะใช้เวรใช้กรรมในวันไหนมันจะเกิดขึ้นกับเราในวันไหนบ้างหัวจะแตกรถจะชนเช่นอตมาเนี่ยรูล้ล่วงหน้าหกเดือน ว่ารถจะต้องทวนคอหักตายแนย่นอนส ต, ตีตัวนี้สําคัญส ต, ติตัวต้นระลึลกด่าส ต, ติตัวกลางคือความรู้ส ต, ติตัวปลายคือปัญญาแก้ไขปัญหาอย่างไรเราจะต้องตายเนี่ยรถชนเพราะเนื่องจากว่าไอ้ปัญญาตัวในตัวเนี่ยบอกว่าไอ้หักคอนกที่น้องใช้หลายต้ายจากสีเมืองศรีท่านจะต้องขอหักตายในวันที่สิบสี่ตุลาที่เราต้องทอดพระปาของเราทุกทุกทุกปี แตก้ไขปัญหาไปทําบุญเป็นการต่ออายุได้เราก็ทำของเราใครทําด้วยก็ทำไม่ทํ า, ทาก็ไม่เด็ไปบอกบุญใครไม่ต้องให้ใครเดือดร้อนแต่ประกันได้เพราะฉะนั้นบุญมีและยบาบลาหลมมันไม่มีการเดือดร้อนคําว่าบุญคือความสุขไม่มีการเดือดร้อนไม่เคยไปยรับกวนใครโยมรับบุญวาสนาจะเบียดเบียนตัวเองจะไปเบียดเบียนคนอื่นเขาทํำอะไรก็เดือดร้อนตัวเองเสมอ ถ้าทําให้คนอื่นเดือดร้อนเสมอคนอย่างนี้ไร้บุญวัฒนาคนมีบุญนะั้นต้องมีความโชคแต่เลี้ยงลูกเลี้วัฒน า, าตาสาพรทั้งสามีพรรยาไม่ทะเลาะ ก, กันไม่ทิ้งขว้างกันแน่นอนถ้ามีบุญนะเป็นคู่สร้างคู่สมคู่อบรมหมาลูกท่านดีทุกคนแต่มาเฉลกโแห่งกรรมมาบางคนดูหน้าลูกดีไม่ได้เพราะสามีพรรยาไม่สมควรจัด ทะเลาะกันตลอดในการคู่เวรคู่กรรมกันทั้งตายตายจากการไปดูโทสะไปเป็นอสุรกายในเมงนลกต่อไปและลูกกล่าวเ่าเลเพราถ้าทะเลาะการแย่งสมบัตรปัสสถานการฟ้องถึงง่งหลวงศาสนี่คนลายบุญวัฒนะคนลายบุญวัสานสาจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นบางคนถึงน่าผูกคอโยนถูกคอโยนโคนต้นใหญ่โ ด, ดตึกตายฆ่าตัวตาย หลากหลายมาด้วยกฎแห่งกรรมจากการกระทำที่แ น, น่นอนและชัดเจนมากแต่เขาเจริญพอรอย่างนี้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมที่หลากหลายเอ่ยสร้างความดีให้แต่ตนไม่ใช่เป็นของน่ายทายากมากแต่ท่านต้องอดทนขอฝากไวก้เนี่ยคุณพบรูปรุจารสามตาการเนี่ยให้ติดต่อนอนเนในจิตใจเรียกว่าลัตนาตายแก้วอันตรเสดนึกเงินจะไหลนองนึกทองไหลมา ภาวนาได้จิตท่ใจท่านจะ บ, บริสุทธิ์จิตใสใ จ, จสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์สะอาดกายสบายใจสะอาดใ จ, จเจริญศกปราศจาศ ท, ทุกข์ได้จริงก็เกิดเมตตาพระมหากรุณาธิคุณของหลวงปูเดชะหลวงปู่เดชะมีแต่เมตตาชาวโลกให้พ้นทุกข์ไม่เคยมีอะไรต้องไปกาต้องการผลตอบแทนจากชาวโลกแต่ไปการใดท่านผู้ปฏิบัติธรรมที่รักทั้งหลาย ท่ลองไปอ่านพระไตรปิฎกพุทธิบอกพุทธเจ้าเรียลัยไหมต้องการเงินของท่านมาสร้างวัดสร้างว่าไหมไม่มีเลยนะอนนาณาธิเป็นขุ่นกามหาเศรษฐีสร้างถวายเองพระองค์ไม่เคยไปสร้างวัดเรียลายสร้างพุทิวิหารเหมือนพระสงค์ลุกใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ต้องชวยตัวเองต้องสร้างโบสถ์เองต้องสร้างพุทิลิขานิยมเลยสร้างแข่งกันไปเลยน่าจะสร้างคนแข่งกันพุทธเจ้าสอนว่าสร้างความดีไม่ต้องใช้เงิน สร้างความดีไม่ต้องใช้สตางใช้สติตัวเดียวได้ไหมอย่าโยมที่เราทั้งหลายสติตัวนี้สําคัญมากถ้าบางคนมีสตางแต่ไม่มีสติชีวิตแหลมแข็งไร้าสาละขาดเหตุผลก้าวไม่มีที่เกาะออกไม่มีที่จุดสืบเกาะเกาะไม่ยุดคนที่มีสตินั้นเงินจะไหลนองทองไหลมาอีกไม่ต้องไปหาอะไรมันจะมีปัญญาหาเงินมาได้จนได้ นี่แท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าเราปฏิบัติได้จะเป็นอย่างนี้ไงเราจะมีแก้วส่องพัดนึกนึกเงินจะหลนองนึกทองจะไหลยมา้าคาสติตัวเดียวขาดธรจตณตายถ่าจะนึกอะไรไม่ได้เลยนึกอะไรก็หมดพลาดหวังผิดหวังตลอดบางคนผิดหวังตั้งแต่เกิดมาเลยจนชีวิตทามาไม่สมหวังเลยมีแต่อุปสรรคตลอดเลยการหลวงพ่อคะ่ะหนูมีแต่อุปสรรค อุปสรรคทั้งต้นต้นโคนโนปล่าทั้งเนื้อคู่กูโฉนได้มาเขาก็แย่งสามมีหนูไปมีใหม่มันก็แย่งไปอย่ามีมันเลยอย่าไปมีมันเลยมังทีมีพรรยาก็มีชู้อีกไม่แหลครอบครัวเอ้ยท่านทั้งหลายคนเรามันคนล ะ, ละระดับคนเราไซเคินคนละาสเปกมันคนละกดแห่งการมจากการกระทให้ถ่ายต่างก้องพี่น้อง่างๆ ท้องเดียวยังเหมือนกันมันด่าน้นาภาษาอะไรแค่คูแ่แฝดคือมาที่วันสองคนคูแ่แฝดเป็นสาวสองผู้นิสัยยังไม่เหมือนกันออกกันมาห่างห้านาทีเกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกันทําไมไม่เหมือนกันท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายท่านลองนึกย้อนลูกกูทิท่านมีลูกอ่ะลูกเรียนอะไรฮะลูกขยันเรียนหนังสือทุกคนไหมเนี่ยวันนี้มาอยี่ย โท่มาเลยลูกมาเรียนหนังสือลูกหนีไปแล่ละปริญญาตีไม่มาเรียนบอกโยมไม่เป็นไรแกไม่ได้เราเรู้เลยสัญญาจะจะบอกไปตรงก่เดี๋ยวก็จะตายจะทอกแล้วลูกน้อยเอาดีไม่ได้แต่ก็มาไม่โทษเด็กนะเวงกรรมตามสนองมาถึงพ่อแม่เนอยยกรรมอยู่ที่แม่ใช่ไหมแต่ต้อยู่ที่พ่อ ออยู่ที่ลูกโลกก่อให้พ่อแม่เดือดร้อนจริงๆบางบ้านนี้บุญวัสนาไม่ต้องห่วงบุญไปรูความสุขแน่นอนคนที่ลายความสุขไม่มีบุญวัสนาแล้วลูกจะก่อให้พ่อแม่เดือดร้อนตลอดชีวิตไม่มีอะไรดีขึ้นเลยขอฝาท่านยังหลายไปไปแก้ดายากรรมฐานเจ้าพัานท่านกลับไปท่านกระเลิกไม่เอาแล้วเขาว่ากรรมฐานยากไม่อยากทํา อยากได้ของง่ายๆทุกคนอยากได้ของง่ายๆมีไหมของดีของง่ายแล้วมีไมมขอประทานโทษของดีราคาถูกมีไหมของดีราคาถูกมีไหมขอถามแล้วของเร็วๆ เ, เนี่ยราคาแพงไหมยากมากขอฝาท่านทั้งหลายไว้ด้วยคนเรามันมองในแ ง, ง่ต่างๆไม่มองในแง่ดีดีเนี่ยแสนจะยากลาบากมาก ไม่จะคงหน่คนเรามีสุขได้มาจากความทุกข์ความเจริญได้มาจากความเสื่อแมแน่นอนความทุกข์ความยากความลาบากน่าไมนจะอะไรแน่นอนนี่แหละคุณปัศริลัคนตายึดเหยียวทางใจตัอดชีวิตท่างจะมีแต่ความสุขความสุขคือเป็นบุญบุญกรรมสร้างบุญให้แก่ตัวตัวเอง ถ้าจะอยู่เย็นเต็งสุขตลอดเลยการไม่ไม่ใช่อยู่ร้อนนอนทุกคนที่อยู่ร้อนนอนทุกหาความสุขไม่ได้เลยนะขอฝันใจโยมอุตส่าห์ตั้งใจฟังสักนิดโยมจะเข้าใจความดีทําง่ายๆนะความชั่วเนี่ยทำหน้าที่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันชั่วเพราะทำตามอารมณ์ทาตามใจตน้นตามสายชนน้ำไหลไปตามใจตัว มัวบายามุกหาความสุขในสังคมโดยไล่สาระคาเทตขาดผลไม่เป่นมหาบิดแห่งเมืองมิเชลานครแต่ประการใดไหนเลยนะจะเป็นมหาบิดท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายท่านมาเนี่ยขอให้ตั้งใจเนี่ยท่านปฏิบัติได้ท่านจะได้ถึงพ่อแม่ท่านเนี้ยบางทีพ่อแม่เนี่ยทะเลาะกันแยกกันอยู่โลกสามคนมาหน้างปฏิบัติทาไม่พ่อแม่เวียนไหวใจเกิดกลับมาพบกันใหม่ รับมาอยู่กันแล้วก็มาดูแลลูกต่อไปมีเรื่องเล่าเยอะแยะที่วัดเป็นบุญถ้าคนไล่บุญวาสนาอยู่รอดแถมนอนทุกข์หาความสุขไม่ได้แหละนี่แหละเสียใจด้แถมไปอยู่รอนนอนทุกข์มีความสุขใหมบ้านใหญ่ยางก็วัดอย่างก็วังแต่ไม่มีความสบายเลยมันมีความสบายเลยอะไรหนอสบายบ้านไอเงาะบ้านไอสังทองรุา อยู่ไกลไล่ไตลนาหลังเลกเงียบมีความสุขตลอดเพราะไอ้สังทรมันมีปัญญาคนมีปัญญาแหละอยู่เย็นไปสุขคับที่จะอยู่ได้คับใจอยู่ไม่ได้นี่สังทองแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนเราไม่ชอบสบายในการทํางา น, นถูกต้องหลายลงคิดย้อนยุกในตัวของท่านดูสิเป็นอย่างไรแต่คนไหนอดทนได้ผ่านพ้นจากความทุกข์ได้ไงแต่อดทนไม่ได้ยมันมีแต่สะสมความทุกข์ มันมีความสุขในจิตใจจะประการใดการช่างความสุขให้กับชุดนี้เนะี่ยมันต้องใช้สตางค์ม่ต้องใช้เงินใช้ทองจะประการใดแต่ต้องใช้สติปัญญาการใช้สติปัญญาก็คือการเจริญรกรรมาฐานน้อยนักน้อยหนาที่คนที่จะสนใจความดีไม่มีใครสนใจความชั่วนไม่ต้องบังคับไหลไปเลย ไหลไปสบายเงี้ยความดีเนี่ ย, ต, ยต้องจ้างก็นด้วยหรือต้องจ้างกันด้วยหรือเปละการได้ขอให้ท่านย้อนดูชีวิตของท่านอาตมานี่ระบากมาโชกเลยทั้งตกเขวเนี่ยนายสอดทั้งคอหักแขนหักฟ้าผ่าทุกอย่างผ่านมาแล้วทุกอย่างผ่านมาหมดเลยนี่เป็นคนพิการนะเนี่ยเป็นคนพิการคอหักนะแล้วแขงก็หัก ขาก็หักแต่เราสร้างความดีใช้วิธีกรรมฐานแต่ปัญหาชีวิตรู้เหตุการณ์ได้แน่นอนว่าเราจะต้องถูกถลดชนวันที่14ตุลาเครื่องสี่เป็ดห้าขอให้ท่านทําให้ได้หน่อยไม่ต้องไปสวรรค์นิทานให้รู้เหตุการณ์ของชีวิตนี้ให้ด่าว่าเราเนี่ยอยู่ในกองทุกข์ได้อยู่ในกองกองสุขมันมีความทุกข์อยู่ตลอดเลยการไม่มีความสุขแน่นอนในชีวิตเลยท่านทั้งหลายเ อ, อ๋ย มันเป็นอนิจจังทุกขังนตาปวดน้อปวดน้อเกิดเคลื่อนตามอยู่ดับไปจิตก็ไม่พ ว, าพว่าววามันก็หายปวดไปจิตไม่ไปกังวลเข้าเไปจิตอย่าไปกังวลจิตอย่าปอกไปหาความชั่วมัวใบยมุกถ้าจะหาความสุขไม่ได้เลยนี่แน่นี่แนนอนสุดแต่บางคนไม่เอาเสียใจเยอะยากมากพญ า, า, า, านาคเจริญกรรมฐานมีสามข้อเลือดลึกชาตดได้นะ สองรู้กดแห่งกรรมไหมสามแก้ไขปัญหาช่วยในเมื่อเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ไหมเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนพื้นฐานเรื่องตนแต่ท่านไม่สนใจเรื่องนมียแต่มาก็าเสียใจด้วยไม่สนใจความดีให้กับตัวเองน่าจะสร้างความดีกับลูกทําถูกกับหลานรักให้มันถูกวิธีทําความดีให้ลูกดูได้ตรงนี้ชัดเจนเงาบุญเงาบาปถ้าเราทําบาปเดือดร้อนมันจะเป็นเงาตามตัวไปเลย ตามไปเลยจะอยู่ที่ไหนเงาจะซ้ําเนี่ยไปเดือดร้อนไปกดธแห่งกรรมต้องใช้หนี้กรรมแน่นอนแตมาโดนมาแล้วทุกอย่างแปลวความดีต้องมีอุปสรรคขอ่าญาโยไม่ของหน้ความดีเป็นสักรูชีวิตที่พูดมานานแล้วความดีเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้สักปวดหนอให้เลิกฮะเลิกฮะเรามาเนี่ยมาทรมานกัน นึกว่ามาสบายไปโทเอ้ยลองพ่ อ, อ, อกตกขาฉันนึกว่ามาสบายไปชาบูไปสวรรค์สบายสวรรค์นเนี่ยมันไปยากมีแต่ความยากลาบากนรกไปสบายไปเลยนรกนีนก่ไปหนืนเอเชียเลยไหลไปเลยไหลไปเลยไปตามสบายเลยทางสวรรค์ทางโคกเขตทางไม่เจริญยนะคือสวรรค์ ว่าจะเดินไปได้ก็จะถึงที่หมายหลายทางเสียก็ต้องใช้เวลามากและเหนือยสวรรค์แต่ทางสร้างทุกสบายเลยไปนนวนเอเชียนะรถแล่นสบายเลยปอยร้อยสี่สิบไปเลยนะเอาเลยเดี๋ยวพาถึงกรุงเทพมาวัดอวันก็มาเลยวิ่งมาร้อยสี่สิบเลี้ยวขวาเลยพาไปหมู่สลบุรีโนนไปตัดช่อ แหมมีอินเทอร์เนต็ตค้นมาวัดภวันมาผ่าไปตปักช่องแล้วโทรกริ๊งจริงนี่จะถึงวัดภูวันยังเนี่ยนี่วัดวันอยู่ไหนแล้วย้อมอยู่ไหนอยู่ปากช่องโอ้โหมันใกล้กันเหลือกเกินนะปากช่องกับวัดวันทําไมเลี้ยวไปทางโน้นแล้วเขาเลี้ยวเข้าเอเซียจีคนขับไม่เคยเพรายังดีนเนี่ยคนขับเนี่ยยังดียั ง, ยงอุตสาข์ขับไปตามถนนเห็นไหมแต่ขับนอกถนนก็เป็นยังไงมันจะเป็นยังไงฮะ อันนี้เรื่องจริงก็ขอจะเรียนพอเนี่ยคนน่ะชอบสบายไม่ชอบลงบากมาโดมนมาหมดเนี่ยทั้งยากลายทุกอย่างปากแด่ตาฝนทนมันได้แล้วอดทนให้ได้คนเราชอบสบายถิงสบายนอนสบายไม่เอางางโอกาสอยาสร้างความดีเนี่ยเป็นศัตรูชีวิตแท้ๆมันไม่อยากจะสร้างมันละบาก สรางแต่สร้างความดีเป็นอุปรสรรคมันต้องมีขัดขวางตลอดเลยการมานักเสพติ๋วเลิกเถะเลิกเถะนั่งทําไมต้องหนึ่งชั่วโมงอยูอ่บ้านสบายกว่าไปดูคอนเสิร์ตดีกว่านั่แน่ไอไอมานล่มานที่ไหนดีสาผีสิงมันอยู่ในจิตใจของเราไปเที่ยวดีกว่าไปหาแฟนดีกว่ามันนั่งทําไม่นะนั่งนะ คลิปหนอทีนิ้นเตีคลิปหนอเขามีสถิตธรรมยามันจะบอกชัดเจนพบของจริงทันทีอย่าไปเอาของปลอมเลยนะมันนั่งเอาได้ของปลอมมาของหนอยกหนอวันหนึ่งโอ้ปวดหนอมาหลายถึงชั่วโมงหนอปวดหนอปวดหนอแล้วมามันก็มาบอกที่หูว่าอยู่บ้านสบายมากแล้วอย่าไปเที่ยวคูจะเพื่อนด่า นีม่มาคุยกัใครมาคุยก็ผีที่ไหนเนะเลยนั่งฟองหนอยยุบหนอแล้วก็ขอญนะุญาตไปห้วงน้ําแล้วมันต้องกลับมาเลยนี่นี่ไอความดีมันเป็นอย่างอย่างจังไม่ค่อยมีใครสนใจความดีแสนจะยากลําบากเหลือเกินของดีก็แพงนะโยมเห็นว่าของดีต้องถูกไหมถูกหรือแพงนะบางทีไปเชื่อของ เถาแก่นี่คนไทยอาตมาได้มีมาเสมอเถาแกา่เอาของดีๆมาขา ย, เ, ยเอาของอย่างดีได้ราคาถูกๆเถ า, าแก่บอกไอมคนไทยเนี่ยชยัหลักโง่ที่สุดของดีราคาถูกนี้ไหมมีไหมเลยก็ได้ของถูกมาเลยเราต้องพูดเลยนะอาตมาไปช่วยของไม่พูดอย่างที่เถาแก่เอาของดีในงานที่ดีสุดเอามาเลยไม่ต่อนี่ คงไม่ไปต่อเลยเขาก็าเอาอย่างดีเลยไปค้นเลยเนี่ยล็เพาะของดีไม่ดีก็เอาเลยเท่าไรสองพันเอาเลยให้สองพันสองเพราะจะเื้อมาทำบุญให้งอกระแหมแค่าาบาทเดียวต่อแล้วต่ออีกจะเื้อมาทำบุญเหนียวแน่นเหลือเกินกระทั่งแหมพระพระต่อเก่งบาทนี้เขาทำบุญก็วัดนี้ตลอด แค่บาดยังต่อเขาออกเขาลดให้แล้วยังจะต่อ เ, อเยอะความดีอแสนจะยากมากแต่ในประสาทเหลือเกินเราจะมาชร้าความดีก็มีคนขัดคอทำอะไรดีเดนขึ้นมาก็มีคนขัดคอมีคนฉานิศยาถ้าทําชั่วมันมีใครฉาแล้วรับหรอสร่าความดีต้องลนทุนความลําบากได้ ถ้ายมลงทุนคอามลบากไม่ใหญ่ดีไม่ไ ด, ไได้ไปอยู่ที่ไหนแล้วมันจะสบา ย, ยสบายแล้วก็จะเป็นของดีมีที่ไหนคนที่จะปลูกบา้านนี้เป็นใหญ่เราเขาจนมาก่อนของลําบากยากเย็นลําเค็งใจกว่าจะมีความสุขเลยกว่าจะได้ดีแสนจะยากไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่เกิดมาปั๊บแล้วยเงินมากองเลยมีที่ไหนฮแรมนอนตื่นสายได้ไหนาหากิน ไปหมิ่นจะเหมือนน้อยไปนั่งคอยวัชนาให้มาหาเองวัชนามาหาเองได้ไหมกูมานั่งเฉยก็เฉยแล้วมันก็มาเองนวัชนาเนาะมันมีมาได้ไหมถ้าไม่ทำไม่ทำมันจะมาเหรอแถมนอนนานงานน้อยจิงบ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดหมดเลยหน้าแห้งแรงน้าใจนอนนานงานน้อยไหมบางคนนอนตะพึ้นงานก็เสียม แต่ก็ทาผู้ปฏิบัติทามีสำคัญมากเขาไม่นอนจังหวัดตมาอยู่ตีสามทุกคืนนี่ตีสามทุกคืนอายุก็มากแล้วต้องทนอย่างโยมตีสามทุกคืนหัหยตีสามทุกคืนใช่ไหมดอโมทนาด้วยจะได้ไปดีจังเราก็ตีสามเหมือนกั น, นก็ขอฝากไว้ไปคิดคนสร้างความชั่วชอบลงทุนความลำบาก ยิงสบายนอนสบายไม่เอางานเอาการกำลังทั่วอยูไม่รู้ตัวคนชอบสบายคนทั่วชอบลงทุนความสบายยิ่งสบายนอนสบา ย, นนบายไม่เอางานโอาการกำลังทั่วอยูไม่รู้ตัวดูตรงนี้ไม่เอางานโอาการเลยคนที่ดีมีปัญญาขอจเจริญพรถามโยมพระเอกนางเอกใ น, นละครชีวิตต้องลำบากหรือสบาย นาเอกพระเอกต้องลำ บ, บากโยมเป็นนางเอกกันไหมเป็นไหมเป็นหรือเปานะ็นต้องลำ บ, บากอยากสบายไหมอยากสบายไหมสบายไหมอยากต้องเป็นตัวหางเครื่องตัวหางเครื่องดีที่สุดไม่ทุกคืนและไอ้แด็มันชอบอเปิดเทด้วยมาหางเครื่อง อาเป็นสายตูดไปจนคนชายตูดเป็นได้ชอบจริงๆนะตัวหาเครื่อนดีไหมขอโทษนะนะไม่ลูกสาวยายเป็นหางเครื่องเลยขอมิถาติอัตมาว่าลูกศิษยวสุวันลูกสาวเป็นหางเครื่องให้เขาอัตมาหน้าไม่ทนแต่ทนอดทน ต, ต่อตามทํางานเคยไปลงหน้านาทองไหมอย่าไปลงเลยทองมันลอกดั ลงหน้าหน้าทนมีก็ไปลงหน้าหน้าท้องอดทนแท่ดีดีไหมฮนะมาเร็ ว, เรวนี้มาเนี่ยที่วัดเนี่ยทองปิดตรงนี้เป็นแค่ตากมาก็บอกว่าโยมไปลงหน้าหน้าท้องที่ไหนมาเหมือนกันหมดเราเรามองเห็นหนอพวกนี้ก็ไปลงหน้าหน้าทองมาแ น, หน่หนอนหนอ เปล่าเจ้าค่ะเปล่าเจ้าค่ะโอโห่ไม่ได้แนบเนียนอยากโอโห่อาตมานะเห็นหนอก่อนเห็นหนอไปลงหน้าหน้าทองได้มาเปล่าฉันไปติดทองวัดนรโอ้โหวัดนร์นี่สักดีมากปิดหน้าทองปลิวมาถูกตรงนี้ทุกคนแหมเต่งมากเดี๋ยวเด็กคลานมาแล้วล้านคลานออกมา้องพ่อค้ารองพ่อค้าไม่ใช่ทองปลิวหรอกค่ะ นะมีวัดตรงโน้นอ่ะหนูไม่จำวัดไม่ได้เขาเอาทองติดแม่แม่หนูไปตรงนี้ทุกคนดแล้วหกบาทค่ากำนนหกบาทแล้วหนูทำไมไม่ปิดละ่นะนหนูแม่ไม่ปิดกับเขาอ่ะไม่ปิดอ่ะหนูคันทองมันคันแล้วที่ปิดยังไหนคันนั่นไหมยินะ่เลยนี่ถ้าจะโกหกอยากเอาลูกมาเนี่ย ยาลูกมาถ้าจะโคกอย่าลูกมาเด็กมันไม่มีมารยาหลวงพ่อค้าหลวงพ่อพระไม่จะทองปลิวพระที่วัดนี่เขาลงหน้าหนาทองหนูไปดูเขาแล้วหนูมันไม่ลงบ้างหนูไม่มีสตางค์หกบาทแล้วหนูลงไปจับทองคันคันมือแล้วทีเขาลงมันมีแมตคันไงเนอะและ้วนายอะไรลงหน้าหนาทอง ขอประทานโทษจะไปไหนอย่าเอาลูกไปไงเด็กก็ไม่เป็นหรอกใช่ไหมเด็กก็หกเป็นอาตอมาเลยให้ไ ป, ไปลอยเอาไปเลยมือเท้าก็หกปั๊บยายแม่นี่ชอบดยิกเราหยิกแล้วเว น, วนี้ยเด็กก็ลองรับรองยายคนเนี้ย เคยหยิบผัวมาแล้วต้องเคยหยิบผัวมาแน่นอนนม่ใี่พุทิเลยอยากโอหกให้อยากเราก็ต้องเห็นหนอไปเอ๊ะทำไมมีทองหน้ากันไปแค่วถ้าจะไปลงหน้าน่อทองไม่ใช่ติดทองวัฒนนรมาตรีมาเองปรีมาโดนหน้าพอดีนะก็ข อ, ขอประทานโทษทองคา งามโชกก็ตา่างทองคําเนี่ยคืออยูจิตตกน้ำไหลไหตัวไฟไม่ใหม่ขายตัวอุขูดหลงเสาเนียงอลังฉานคือทองคําไม่จะลงที่หน้าอยู่ที่จิตใจเราเนี่ยปรใจัยหมนาที่ดายเวลาที่มีประโยชน์อย่าไปเชื่อหมอดูอย่าไปลงหน้านาทองลงหน้านาโทนดีที่สุด เคยลงแน่ น, นาผทนยังเคยยังนานแค่เจดวันที่5้า5วันเอาเลยย้ายแพเยอรมันนะเยอรมันมันคว้นอิต์เลียมายี่สี่ปีไม่ได้ไม่กลับคนลุงเทพมาวันคันพาไปฉระบุรีไปไอส์แร์ลังเยอรมันเบอร์ลินแม่มันเป็นพุ่จในการโรงพยาบาลพ่อเป็นวิศวกรไฟฟ้า เขาต้องการจะมานั่งปัิบัิเป็นคาธุทนิค4ประเทศจะเรียนประเทศไหนฝรั่งเศสเยอเยอรมนันสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษตาสิงใจไม่ได้แม่ก็ตาสิงใจให้ไม่ได้พ่อก็ตาสิงใจไม่ได้เลยข้อมอีตาเนตข้าพเจ้าขอมาวัดอัาพรวันสิงห์บุรีไทยหละไม่เคยมารุ่น24ปีมาเครื่องบินลงดอนเมือง ินตอร์เนตมันรูน้จังมันรู้เรียกคนลองอีกน้อเ้งไปไหนอินเตอร์เน็ตข้อสองมันบอกว่าไปตลาดหมอชิดขึ้นรถแท็กซี่หมชิดลงตลาดหมชิดและอินเอร์เน็ตข้อสามให้ขึ้นรถบัสสายเอเชียร้อยสามสิบกิโเมตรให้ยงอินเตอร์เนตต่อไปมาเตอร์ไซค์สิบบาท วงเล็บเมื่อปีกลายห้าทำไมเปงนวิสิทน้ํามันมันขึ้นราคามันจะมาถูกเลยแต่คนไทยกรุงเทพไม่มีเข็มทิศเลยนึ่จะไปไหนไม่มีเข็มทิศเลยโยมไปไหนมีเข็มทิศมาดิมีเข็มทิศหรือเปล่ามีต้องคนไหมมีกัดกันไหย ม, มีต้องหนไหมมีตากเรือไปเหนือลงใต้ เปรียนเพื่องพร้อมคือกรรมฐ า, ามสึ่งกายเวชนาจิตกรรมกับดันต้นกล้ต้นหนุนปากเรือกายยาไม่ปัจฉนาติตประฐานเวชนาไม่ปัจฉนาติตประฐานจิตานาไม่ปัจฉนาจิตประธานธรรมานุปัจฉนาจิประธานเป็นมายาที่ข้ามฟังภากได้โดยมีกัดกันผู้บังคับเรือสติธรรมชัญญะยาลดละภาวนาต้นหนน ด้วยวาการว่ามันจะมีมาไหมลมสลานการมาไหมจะปล่อยเลี้ยวไปได้ไหมจะเป็นอันตรายหรือเปล่านี่แหละกรรมฐานมือสี่กระตานี้นี่แหละกรรมฐานทําให้เกิดความมั่นใจและตัดสินใจได้ดีมากต่อมาเลยไม่ใช่กรรมฐานหล่อหลวมหล่อแหลมหลียวไหลตัดสินใจไม่ได้นะโยมผู้หญิงทั้งหลายขณากรรมฐานต้องตัดสินใจใจเข้มแข็งนหมใจเข้มแข็งไหมเนย แข็งไหมแข็งแน่เลยแล้วขอถามนะเคยร้องไห้ไหมยงผู้หญิงฮะร้องทำไมร้องเรื่องอะไรเรื่องเขาไม่รักเหรอมันงานกลับมาถามเจ็บวันเนี่ยตรงเนี้ยฮัลโหลหนู พ่อเธออยู่บ้านไหมเราอยู่ไดกตได้ยินพ่อเธออยู่บ้านไหมเสียงยแว่วตั้งแต่แม่ไปวัดพ่อไม่กลับบ้านเลยแต่แม่ไปวัดพ่อไม่เคยกลับมาเลยเนี่ยซ้าววันล ว, วางเลบอกวางบาๆมาชีเดี๋ยวโทรศัพท์าพังหมดอะไรตอนเช้ามาแหละ ต้องขอเนมาช ก, การละ่ะมีความจําเป็นต้องเรียบด่วนบอกด่วนเรื่องอะไรเขาไม่รู้เราเวลาลูเขามาโทรสั่งต้องมีเวท้องเรียบด่วนนะเรื่องเช็ดหรือเรื่องอะไรตก็ไปเช็เคเช็คใช่ไหมแม้มันมีเรื่องนึกขึ้นได้นะกอตามใจอยู่ตจวบันนี่แค่สามมันนียให้มันหมดเจ็ดวันก็ไปไม่ยาก ไม่ไดกต้องไปเยอนี่เลยเรื่องอะไรทํามจริงๆอย่าโกหกเรื่องสําคัญถ <laughs> ือว่านี่เรื่องสำคัญก็มาแล้วแต่ปฏิปักษ์กังวล น, นะโยม น, นะอย่าไปห่วงบ้านได้มหมสามีจะไปไหนก็ฉันเขาไปไหนเราเขาจะไปหาเงินมาให้ยาวถูกไหมอะไรถ้ายอมหวงอย่างนั้นไม่ต้องมานั่งสมาธิไม่เกิด พอเน่ะฟังนะดูนะฟังนะพ อ, อหนูมันอยู่บ้านไหมเนาะมันไปไหนอะไรทางเขาเป็นแรงเราเราจะมาสร้างบุญสร้างกุศลไล่ไววอาพุทธอุ ท, ทิสจงกุศลให้สามีแตสามีเขาไปชอบแม่วัาสนาหรือชอบใคร ก็ขอให้เขาอยู่เย็้ไปสุดกามตลอดไปเจ้า่าแพ้ได้ไหมนั่นต้องได้ทามีลูกสาวจะแต่งงานไม่จำเป็นต้องกล่าวว่าไปหาหมอดูวันได้เดินถึงอย่าสมจิตใจเขาเข้ากันได้ไหมแล้วก็จจตใจเห็นอกเห็นใจกันไหมดูให้อนาลนนูก ญะยทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนถ้าทาได้อย่างเนี้ยได้ผลอย่างทมค่าปัจฉนาแล้วโยมกลับไปพยายามทําให้ได้เดินตรงกลมให้ชชาขวายางนอนหยุดแล้วก็ใช้ยางนอนหยุดกระทุ่มกระขวา้ามันได้จังหวะจะได้รู้ว่าจิตมันกี่ดวงแล้วลูปน้ํามขันห้าไปอย่างไรดูที่เทา้าอย่าไปดูตรงโน้น บางแห่งก็สอนดูตรงโน้นหลับตาเดินใช้ได้เยืนหน่อห้าครั้งก็ตามสติไว้ให้สติอยู่ก็จิตให้ได้ถ้าจิดอยู่ก็สติมาเยโยมจะเกิดปัญญาตรนนั้นถ้ายมไม่มีปัญญาขาดสติรับรองทำอะไรไม่ได้ผลเลยแล้วไม่รู้ว่าลูกจะเรียนอะไรบางคนเนี่ยลูกปัยาบ้าลูกไปโลกเอ็ดพ่อก็ไม่เอาไหน คุณแม่มานั่งกรรมฐ า, านสวดภาหุมตาตลอดเลยแล้วแผ่เมตตาสามีกลับบ้านเลิกเดินทุราเลิกเร่งการพนันเลิกเจ้าชู้มาช่วยทางแม่มากเพราะฉะนั้นความดีอันนี้ทำให้สามีเกรงใจถ้าหาก็เราไปตามนะโยม น, นะเขาเจ้าชูไปตามไปด่าไม่มีใครเขาเลรงใจหรอกมีแต่ราคาต่อ สามีก็พูดไปอย่าไปดา่าอย่าไปว่าเ่อแล้วราคาเราตกราคาเราก็แหมราคาแพงพอไปด่าเขาครับปั๊บราคาตกทันทีแล้วเขาก็จะไม่กลัว อ, อะไรด้วยไม่เกรงใจเราไม่พูดถึงเลยเขาจะชอบใครก็ปล่อยอย่าไปตามมาคนชั่วขบ่าเราก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาดูเย็นเป็นสุขกันลูกเราจะดีหมดเดี๋ยวความเกรงใจก็จะเกิดขึ้น ขเอเคสเจริญพรความเปล่งใจเนี่ยทําให้คนความดีเนี่ยทําให้คนเปล่งใจไม่มีความดีเนี่ยเขาก็ไม่เปล่งใจเลยถ้าความดีของเรามากหลากหลายมาด้วยความดีไม่เคยว่าให้เขาบวชช้ำน้ำกลัวเขาจะเปล่งใจเราเราจะพูดอะไรเขาจะเชื่อได้จําไว้เลยนี่นัไปด่าเขามันอย่าเป็นแผลนเนี่ยตืไปจะพึชแผลก็ปลาย เดี๋ยวกลายเปลูกมะเร็งแผลเนี่ยมาเป็นแผลหัวใจล้างเอาไปพอล้างแล้วปิดอยับพูดตรงนี้อยับไปพูดตรงนี้แผลจะหายไวจะไม่มีอะไรสกิลหัวใจอีกต่อไปเท่านี้เองนะคิดหนอโกรธหนอโกรธอยากฮ้างคืนนะตัดเสียการเวลาตอนเช้าลมค้างทํางานเสียหมดค้าขายไม่ได้ขาที่ดินก็ไม่ได้อย่าให้อลมค้าง ขาดลมไม่ดีเนี่ยนะโยมเป็นสามีพรญยากันจะทําอะไรก็อ ป, ปุ้งปังปุ้งปังเอารมเสียเกิดขึ้นทันทีไปเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยไปสอนเขาไม่ไ ด, ดีถ้าเป็นบริษัทพอไดอไม่ได้เลยไม่ได้เนี่ยขายอาหารร้านอาหารสามีทยาลมไมด่ดีวันนั้นจะขายตกเลยจัดข้าจะคลื่นไ่้ ถ้าลมดีหน้าตาก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจโฆนนาเจรจาไปเรากชงเคราะห์อเอื้อเพื่อขาวเลวเขดูแขกไม่แต่ลูกค้ามายิ้มลูกค้ามาไม่ยิ้มเลยหน้าอย่างเงี้ยเอาหน้ากวากมาจากไหนเนี่ยหน้ากวากมาอย่างเงี้ยแล้วร้านถ้าเป็นโยมนีม้หน้ากวักอย่างเงี้ยตมาไม่เข้าร้าน ก, ากลัวหน้ากวากได้วจะแล้วจะฉันข้าวได้จะกินข้าวได้ยิ้มหน่อยได้ไหม คนที่มีสติปัญญาจะยิ้มอยู่เสมอถึงปากไม่ยิ้มตาไม่ยิ้มแต่ใจยิ้ ม, ย, ย, มยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเลยกายตรงนี้เป็นจุดมุ่งหมายสําคัญสหรับประมาทานส ต, ติว่า น, นี่ลิ้นปีนเนี่ยหายใจ ย, ยาวโกรธหนอโกรธหนออยากโกรธฝากไว้ในใจยังกช้าทัายขวดนวลเป็นนทิ์อธิฐานที่เป็นประจามโหชิกรรมยกระแถมในตา ชาห์โอนสิบตาไมไพ่มาด้ยังโปรดผูกใจโกรธคนน้องเปลียนคนนี้แพ่ไม่ออกเลยแม่ตาไม่มีเลยไม่ต้องแพ่แพ่ไม่ออกยิงปืนตอกปกระบอกไม่มีกําลังส่งถ้ายอมมีแม่ตาสูงแผ่ไปที่ไหนได้หมดถึงกําลังขับรถเอาลมณ์ดีเนี่ยแผ่ได้เลยไม่ต้องไปสวดมนต์ไม่พระคนที่ไปสวดมนต์ไม่ทางนั่ก็มาถามสําหรับจิตใจไม่ดีถ้าจิตใจดีโปรดร่องร่อ ง, องใจ ไล่แล้วบวงมาแล้วก็ว่องไวรวดเร็วทันใจจตต้องเป็นธรรมแพ้ได้เลยแพ้กุศลให้กระลุแพ้ให้มีให้พัญญาออกจากใจใจเราด้วยเมตตาถ้าเราไปแช่งชาตากะดูเขาเราก็แช่งตัวเองแฉ่งตัวเอ ง, งเองขาไลายมาอย่าลลยตอบเขามาดีมาจงเอาความดีไปแก้ไขคนตระหนี่ให้ของที่ต้องจาย ควนพูดเลีหลายเอาความจริงใจเข้าไปส่งทนาน่ะจเราไปอฉาไทยไม่แก่นะมันจะเกิดของห้าประการหนึ่งเป็นาเหตุทำไมแจกแยกครองทำัีสำ้สองเป็นอุประสารคในการประสานงานที่ดีูสามขาดขวัญกําลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานสี 4. สร้างศัตรูให้กับตัวเองห้าขาดความจริงใจต่อคนทั่วไปขาดความจริงใจไม่มีความจริงใจต่อใครเลยออกมาชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องแก้ ทีนี้ขอให้ต่างสถีอารมณ์ไว้ให้ดีทำลายไว้ให้ดีต่างสถีปัญญาไว้ไปทํามาหาได้จะได้เงินในทองจะไปทวงนี่ทวงถึงใครหรือจะไปชใช้เี่ใครจะขอร้องให้เขาช่วยเหลือก็ต้องแผ่ไม่ต่างทำไมแพ่เขามีใครช่วยอ่ะตรงนี้เป็นเรื่องสาคัญเรื่องแท้แน่นอนโลกเลิกติดยาเสพติดได้เยอะเนี่ยที่วัดเนี่ยเราก็บอกพ่อแม่เขาด้จริงๆอย่าทะเาลาะ ก, กัน แล้วก็พยายามสร้างพลังให้กับลูกส้างความดีกับลูกทำถูกกับหลานแล้วถือวิธีทางความดีให้ลูกดูโลกรับลายแตดีหมดไปลกไอายังหายอันนี้เรื่องจริงถวดทาหูมังกาครับและแผ่เมตตากรรมาฐานตาคุณโยมกลับไปบ้างมันเดินตรงกลอมก่อนเดินจงกลอเกมนเนี่ยมันมีสติปัญญาเจตธรรมชีวิตะนานอดทนต่อการเดินทางไกลสองอดทนต่อการมาเพเพียง สามโาครคภัยไข้เจ็บไม่เยียดเบียนโรคหายแน่นอนโรคมะเร็งก็ยังหายสีอาหารย่อยอยังอ่ะห้าสมาธิเดินตรงกลมตั้งเลยนานกว่าหนะ้ามานั่งแับก็เนี่ยไปเลยแต่ส่วนมากโยมกลับไปบ้านไม่เดินตัวกลมเสียเลิกเลยเดินหน่อยนะ่ะแต่ทาให้เสมอต้นเสมอปลายโยมได้ดีแนะ่สร้างความดีได้แน่นอนและ ไ, ไว้ด้วย ขดิช่วยชัติสร้างความดีต้องถูกเอกสารที่อุปถัมภ์ช่วสร้สางความดีต้องถูกตัวบุคคลการละบัติสร้างความดีต้องถูกการเวลาด้วยอย่างนอกการเวลาปรโยคาสมบัติสร้างความดี ต, มต้องเสมอต้นเสมอปลายทําอย่าให้ลักหลานอย่ยาเป็นก็แบอ ง, งก็าแบงก็าตอนก้าใจเลยรับรองได้ดีแ น, น่นอนความดีขาดตอนเสียใจยด้วยถูกสร้างความดีอีกไม่ได้อย่าเสียสละจจพยายามทําทุกคนืนตถอดมนภาวนาแผ่ไม่ตาย จะยากเหนื่อยมาจากการงานก็ต้องทำรับรองคิดอะไรสาเร็จหมดมาอยู่ตรงนี้เป็นแก้วสัพพนิชายมทำต่ดต่อไปเป็นแก้วสัพพนิชนึกอะไรสาเร็จตามเป้าหมายและความปรารถนาต้องการให้ลูกเองท่านได้ก็ไม่เคยพลาดต้องการจะลูกไปเรียนอเมริกาแล้วก็ใบพนันไม่ได้กลับได้เขาเรียกใบอะไรนะ่ะบีซ่า ออกใหเดงอะ่ะอันนี้เรื่องจริงที่วัดเร า, าก็ขอฝากเจ้าโยมไว้เป็นข้อคิดเพราะฉะนั้นการทมกรรมาฐานจึงมีประโยชน์แก่การกระทำของเราเองเรียกว่าการกระทำให้ฐานะดีการกระทำให้สิตงอกและการกระทำให้เดินทางไปด้วความถูกต้องไม่มีการเสียหายจะประการใดค้อนมูลนาชาตุการในโอกาสอันเป็นมหามงคลในวันนี้ ยาโมยมหญิงโยมชายกลับไปแลกของให้ต่างจใจมีอะไรกําหนดก่อนกลับคูดจะคิดกำหนดก่อนแล้นหนึ่งต้อมาทนไปไหนตาดูหูฟังปากนิ่งตเตลิดบวืยงมือทาําแต่ความดีอย่าไปหาเรื่องกับครครับเสียเวลามาั่งมาถ้าลองโยมมีสติดีปัญญาจะเกิดจะแก้ไขปัญหาในครอบครัวได้แก้ปัญหาให้ลูกดับางทีสามีภรรยาก็พูดดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจายากตมาพูดโยมฟังานานๆเนี่ย ถ้าเราพูดเพาะเพูดดีๆกันเนี่ยจะเข้าใจง่ายพูด้ายต่อการโดยเจตนาไม่เป็นธรรมรับรองไม่รู้เรื่องเลยเข้าใจยากพูดเพราะเพาะอ่อยตาหวานลิ้นซึ่งจากลมปากหวานหูไม่รู้หายรับรองได้ผลยางสมค่าศาสนาดังได้ชี้แจงแสดงมามีบุตรธิดาก็ดีมีลูกหลานก็ดีบ้านไหนสะอาดหน้าสาดมาเกิดบ้านไหนสกปรกสัตว์ในโลกมาเกิดเที่ยงพอ่อเทียงแม่ทำให้าาตกฟางชัดเจน ทำอะไรก็ขอให้อดทนนะอดกลัน้นอดอมอมภายี้ประนอมยอมความอย่าไปหาเลี่ยงและใครเลยและอย่าโยมทั้งหลายโตไปเตือนญาติพี่น้องอย่าแย่งสมบัติแล้เวเราก็ตายจากโลกไปแล้วไม่มีวันกลับมาพ่อแม่ชังไว้ยังไงต้องตามคำสั่งก็พ่อแม่ของเราเป็นพระรหัสของเราไมายาพระอย่างนี้เป็นพระรหัสของเราพระในบ้านสาคัญพระพอ่อพระแม่สาคัญมากเลี้ยงท่านในอินนาทําราาเดี๋ยวก็ตายจากไปไม่มีวันกลับมา ขออนุโมทนาสาธุการแก่ญาติโยมด้วยวันนี้ก็ด้วยอำนาจคุณมทธิและกาน า, ายจบูรุษหน่วยตัวประธานพอให้ญาติโยมทั้งหลายโดยถูนกนักการงประสบจากความถูกช้ำกันดอนเขาตรงจะแรงต็ถูกพิรพลชายซี่ประการมีอยายยุคพอยินนานโนโพิพันผ่องใสถูก ข, ขังควายสุขภาพกายอนามาัยทุกธาโตุโดยใจดีโลกภัยขเจ็บมีก็ตรงหาย งทั้งราที่คิดไว้นะบัดนี้จะคิดต่อไปโอกาหนะช่วงพลงานเกิดความท้าเมตรประเดชพนพร้มเจริญจ้นงความมาปราถนะเบื่อการทุกๆ ท, ท, ท่านนะโอกาสบัดนี้เธินขอจเจริญพรทุกๆ ท, ท, ท่านกเาค่ะ